วันนี้ประเทศจะบอกวิธีรักษาใจให้เป็นบุญนะมานั่งนั่งสมาธินั่งเรียบร้อยวันนี้จะบอกวิธีรักษาใจให้เป็นบุญคือความสุขอ่าคนเราเน่ยมีสิ่งสำคัญอยู่สอย่างมีกายกับใจกายต้องมาทำงานตองเงินมารักษาใจให้เป็นบุญจะบอกวิธีง่ายๆบอกวิธีสอนให้หลับตาเสียให้นึกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจ จากองนั้นให้นึกถึงคุณของท่านเนพุสโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆ พุทโทธรรมโมแสงเขื่อนสามทีแล้วนุพุทโธทโธดึงใจแเ้ามามาจากนาลกจากเป็ดจากสัตว์คนกับเอวันมาเป็นเทวลาเมื่อกี้นี้ตั้งนะโมน้อมถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่อยู่ของใจบอกพี่ไอ้อ้เพื่อนให้เว้นโทษห้ามมันเป็นโทษไม่ใส่เว้นอยากเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์เพื่อนเว้นโทษห้ามไม่ไปเข้าสารลักทรัพย์ในการไปโกหกไปกินเล้าอะไโนะ อย่ามีอนนี้สงมีทรัพย์มีความสุขไม่ใช่สุกเด็ดเดีย่ยวไม่ได้โลกไม่ไภเป็นหนทางสู่สวรรค์นิพพานมานนี้จะบอกวิธีบอกทีดีไม่ได้ไปสวรรค์เข้าสวรรค์เลยนึกพุโทโธพุโทโธเข้ามาเป็นเทวดาพุทธภาษามาเราเราคิดทุกข์กันรก ทั้งอยากบ่อยากก็เป็นเป็ด เ, เ, เป็นปีศหาความสุขได้ก ก, กินนอนเป็นสัตว์มาเป็นคนก็มาอยู่ในก้อนโรคกวอนทุกข์ก้นขี้วันนี้กูประโยกับมึงบ่ายอยู่กับพุทโธพุทโธเขาอันนั้นเป็นสถานที่อยู่ของใจที่พึ่งของใจเหมือที่พึ่งของกายเดินมาวันนี้ห้องผสะชมสวยงามหมด ในโลกตรงนั้นเขาแต่งได้ที่อยู่ของร่างกายผลยุทธายไม่ได้อยู่อันนี้มันได้อยู่บางทีเราไปอยู่อย่างน้อยกอาพุทโธผูกไว้เป็นเครื่องผูกใหญ่สติแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไปหมบางทีอยู่นรลกผ พ, พยายามดึงเข้ามาลกนาลกกับเวาเปรตกับเบาสัตว์กับเบาคนกับเบาผลพุทโธพุทโธเข้าไปเนี่เป็นเทวดาถ้ามันนึกพุทโธไม่อยู่มันคึกไว้เจปบมาปวดเงาเงา น, นอนจึงสอนใจเราที่จะสอนเขาว่าไหม เขาไม่ได้ว่าเราคิดขึ้นมาเองเล่นกูได้เหมือนกูจะไาคิดไปกูจะนึกเอาไปนอพี่ลักษาน่าทำมันนักพุทโธพิจารณาหลายครั้งหนที่ไม่อยู่ก็อดเอาฝึกกําลังใจผู้จะก่อนเหมือนนักมวยนักกีฬาเขาต้อออกกาลังกายพซื้อก่อนอันนี้ออกกําลังใจสู้ทุกเรืมันหนักเขาทุกวันได้หลังก่อนนีก้อนโรคก้อทุกขกนขี้อย่าว่าสวยงามเพ่งละอะไรพูภาษาบรนเราล่าตัวถงนั้นต่อไปใคร นึกผู้ทอยยึดเขาว่านี่พังก็ยึดไม่คิดไม่เกิดเอาใจแล้วเข้ามาเลย สมสสมติเสอะคือไม่เกิดอีกพุทธเจ้าสอนโยชนนั้นโยดคิดเหมืนอนกับว่าสา ม, มไว้ใจดีเด้ดีใจทําเหมือนคนอนั้นให้ทําทเป็นทานบอกวิธีให้ไว้ใจเป็นพระก็ได้โยชนนั้นธรมรมดาใจสะอาดก็ได้ว่าจิตตัวนจิตนิ่งจิตสงบเหมือนเขาเปรียบเทียบหลวงปู่วันก็สอนว่าอาคารต่างๆเขารู้มาบนนู้สร้างเขาแรก ม, มันได้เมื่อกี้นี้สวยงามมันแรก ม, มันเสร็จครบ ก, ก็ได้เงินอันนี้เว่าเราสําเร็จ เบอร์นูเล่เว้นโทษหฮาก็จะยยได้เป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์มาเนื้อพุโทโธพุโทโธก็เป็นเทวดาขึ้นมาแล้วถ้าเราหยุดได้สมเร็จไม่เกิดหมดเรื่องเป็นพระได้บอกวิธีให้ให้ทําเป็นฐานมหาเต๋อรักษาได้รักษาใจเรต้องซื้อต้องขอต้องอ้อนต้องว อ, อ, อ, อ, อนหัดเว้นโทษหฮาอันเธอโก่อนแล้วกับเรื่องทุกเรื่องอยากไม่คิดบปนี้มาถานความคิดเดี๋ยวเราโม้รู้ยายเราเนี่ยมาคิดไปเอง เหมือนรามาอยู่เองอยู่แตมาอยู่ในก้นโลกก้นทุกข์ก้นขี้ไม่ใช่ของดีได้หลังขายเขาไปอยู่ในท้องแม่ตกคุณน้งลูกสิบเดือนแบบนี้พื่อเยาวยืนหาที่ไม่เกิดหนูพูดภาษาบรนเราเอ้าเว้นโทษว่าสําคัญอยากเป็นมนุษย์วิริยห้เว้นโทษห้าไม่ใช่สินห้าไม่เป็นโทษเป็นอะไเราเว้นเว่นเอาใจไปก็เสียเยอะเย็นเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์แบบรู้เป็นหนุนถังสู่สวรรค์ น, น, นิพพานบอกว่าเข า, าสมมุติเฉยๆคือไม่เกิด หมดเรื่องพูดภาษาพรทธิยุ่ได้พุทโธเราด้น่ะว่าเราก็ได้ไหวใหญ่เรามาอยู่มาจากไหนใหญ่บริสไลบางคนเราใจบริษาลมาจากสวรรค์อก็ยังดีมาจากคนมาจากสัตว์มาเป็นคนโอเคอันนี้ไปไหนเป็นนรก มาเป็นโลยโรปพระเจดพระันในคาร์เนคิดทุกเดือนนี่ก็นรกเลรอทั้งอยากบ่อยากก็เป็นเปรตเป็นผีหมความยชคก็ไปทำงานผสมพันธ์เป็นสัตว์มาเป็นคนอย่างพวกเรานี่ก็มาอยู่ในก้นโลกกวนทุกข์ก้นขี้ได้ไม่ใช่ของดีใดวันนี้กูไปโยกเมืองเห็นนึกถึงกูเล่นเมืองอย่างนั่งอยู่กับพุทโธพุทโธเพื่อเปิ่นไหวสอนหมากระบอกแล้วใจเป็นเทวดาไม่ใช่ร่างกายเป็นนี่อ่าไม่ใช่ไม่ใช่รเทวดารักษาบริวญผูกพันสอนมันมีเว็นไม่แผอันตรายเทาใจเราเป็นพุทโธ เทวดาสวยบุญอย่างเดียวด้เป็นเทวดาถ้าเราเป็นคนเหมือนโเราเคยไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเราเคยบูชาเขาบุนเสื้อเรื่องตามกินเด็กปะถ้าเป็นสัตว์ตัวใหญ่กินตัวน้อยตัวน้อยกินเสื้อเล็กเส่วเล็กกินมันอีกคนกินมันอีกเหมือนน้เหมอนโน้รักษาหรบอกวิธีไหนเข้ารักสาเอาใจแล้วเข้ามาให้มันไป อย่างน้อยกายอย่าอย่าอย่าไปคิดว่าไม่ร่างกายอย่างน้อยอยู่กับพุธพุธพุธเพื่อเพื่อนเพื่พอไม่คิดว่าเจ็บเพป่ปวดเราเคยพิคิดเป็นร่างกายมันใช่เราบอกวิธีร่างกายพลังกระสอนถูกอยู่เกิดมาต้องเรียนหนังสือทํางานเอาเงินมารักษามันเงินนี่มาได้เก็บเหมือนกันมำจำใบมาต้อตงทํางานเอาอะไรมารักษามานนี้พวกเราสลัดเอาร่างกายมาเอาบุญจากร่างกายได้เอาเงนจากร่างกายขาดทุนนี่ ขาทุนออกอยินนี่ไปไหนประจุในรบพุ่นเอาแต่แล้วอย่างน้องก็แกลโทษนะไม่ไปก็สรักษาปรินายก็รมไปพวงไปเกล่าบุญขึ้นมาเป็นไหนไม่ใช่โกด้วยพุทโมันดเครียดเนื้อพุทโธพุทโธกะเป็นเจวดาขึ้นมาถ้าเราหยุดได้บุญเป็นไม่ทุกข์ไม่ยาก้นนให้ทําเป็นฐานสถาการให้ทํางพวงตัวนี้ไอ้บอกไอ้ที่ไม่ใช่แรื่องหนังสือไม่ใช่ให้ทํำเลยให้ความคิดบอกวิธีให้ไปรักษาอย่าวันนี้ยากรักษาใจผมต้อ ต้องขอต้ององ้อนต้งวนหัดเว้นโทษฮะเอสซะก่อนแบบนี้ก่อนจะคิดถึ่างไรไปคิดไป่เออมันนักพุทโธขึ้นมาเป็นบุญสะก่อนได้พุทโธสะก่อนถ้าไม่ได้พิจารณาหลายครั้งหลายคิดนักพุทโธบปอยู่ไม่ต่างว่าเจ็บว่าปวดอดเอาฝึกกาลังใจสู้สะก่อนเรายังละไม่ได้เลยบื น, นักมวยที่กีฬาเขาก็ออกกําลังกายไปเนี่ยกำลังกายออกกําลังใจเพราะกำลังกายหนักเขาทุกวันนี่ไม่ใช่ของง่ายเลยแบบนี้เราหัดไป วันนี้เตรียมตัววันไปไหนอย่าไ kind of mm. ปคิดว่วเป็นคนอย่างน้อยนะกู bridge, fruit, ้ทโพุทโธพุทโเพื่อเพลินใจไว้อยู่ตรงนั้นเป็นเทวดารี่วันนี้ยุดได้บุญเต็มหยุดเหลือแต่รูปพุทโธนั่นว่าใจดีว่าใจดีก็ได้ใจบริสุทธิ์ก็ได้ใจเป็นพระก็ได้บุญเต็มไ้ บุญมันเต็มทรัพย์สมบัติก็เต็มพกพิธีไงอนนะไรแบบเหมือนพวกเราเงินทำงา น, งานเงินเต็มกระเป๋าก็สะดวกสบายอันนี้แัดรักษาวัานนี้เราจะไปชุกไปยากกับมันร่างกายก็เหมือนกันเด้อเราจะไปคิดว่าเจมัปวดเราคิดขึ้นมาเองเลยวันนี้จะไปคิด เดี๋ยวตรงนั้นมันจะคิดว่าเจ็บพุทโธเลยไม่คิดว่าปวดพุทโธพุทโธพุทโธง่ายโดยตรงนั้นบอวิธีรักษาในสใจเป็นเทวสารักษาเองได้การงานก็ดมนการเกิดมาต้องทํางานเอาเงินงานบริสุทธิ์ได้ทุกที่เกิดมางานร่างกายมันกระเรามาเจ็บมันปวดเราคิดขึ้นมาเองเราง้อเองเลยเพราะร่างกายนี้เกิดมาต้องเป็นอย่างนั้นก้อนโลคก้อนทุกข์ก้อนเกิดก่เจ็บใจพระธรรมเกิดมาเราต้องเก็ต้องเก็บจงใจพระธรรมเรายังไม่รู้ อยู่ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นธรรมดาแล้วผิดธรรมดาแล้วมายุ่บ่ดูจากนั้นธรรมดาเป็นมันไม่อยู่กับกูทำไมครูปด้ชุกดนทุกเราคิดขึ้นมาเองบนี้ลองดูบมันจะโกรธไ่โกรธมันจะเขียนไม่เคร้าเรายุดเป็นมันจะคิดไเจบปวดไเบื่อในคิดอะไรเรานืกพุทโธพุทโธเพื่อไม่คิดว่ามีร่างกายบ่าวิธีให้ะไปเชื่อฝลังฝรังมันบนใจหาความสุขทาร่างกายมันไม่ได้เบอบอบ่อ้ายบืู่้อยู่าน สวยไม่ได้อยู่ไปอยู่โรงพยาบาลเดืบางจะไปโรงทยาบาเขาไม่อยู่ระยะเจะลงไปผักไปเผาเนี่ยปัญหาเรื่องไปเกิดไปร่างกายก็บ่ได้สุขจะสุกดีไปตกนรกจะทําไงาบนนูโลกพราะที่วิญญมันคาในนั้นนรกแ่ละใจไปอยู่ได้ไปเป็นเป็ดจะกินอยากนั่งอยากนอนไม่กินได้นั่งได้นอนเดี๋ยวแล้วอยากเลยนี้แหละมาเป็นฉัดหาอยู่หากิ น, นมาเป็นคนกระทั่งมาอยู่ในก้อนโลกโก้อนทุกข์ก้นกี้ขี้ทั่วหัวร่างกายวันนี้เล่นกูมันก็ไปอยู่กับแมง อยากน้อยอยู่กับพุทโธชนะที่อยู่ที่คุณไม่เข้าใจคือตั้งน้โมน้อมถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่อยู่ของใจไม่ใช่ที่อยู่ของร่างกายอยากพ้นให้เว้นอยางเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์เว้นโทษห้าเสียก็จะเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์บ้านนี้บางคนนึกจะมาทุกข์แบบไหนบ้านไหนอย่าไปคิดว่าเป็นคนนึกพุโธพุทโธพุโธง่ายๆโด้วยดังนนถ้านึกค่อยเข้าไปยิ่งดีนึกแรงๆมันจะกดไปขดว่าสวรรค์หกชั้นเลย ลูกพิบเยอเพิดเพินเป็นเทเวดาอะไรทำราวไม่ได้บอกวิ่บีไนเต่อไปหยุดได้บุญเต็มเว้ให้ทำเป็นฐานใครรักษาได้เพืองกันหมด แล้วเหมือนร่างกายีคนทํางานเป็นก็ได้เงินเงินเป็นขอ ง, งกลางๆมารักษาร่างกายอันนี้อย่าว่าพุทธธรรมรักษาใจเป็นบุญคือความสุขว่ากําลังใจก็ได้ว่าบุญก็ได้ว่าเล็ดก็ได้ว่า ก, กำลังกําลังร่างกายบุญโน้วเท่ว่าพลังเขาเมีเครื่องช่วยบุงโน้เครื่องจกักรเครื่องยนต์ช่วยกําลังกายมีเครื่องจกักรอันนี้ก็เหมือนการกําลังใจก็เอาพุทโธช่วยซะก่อนไม่ไปคิดไปทั้งทุกอย่างเป็นเทวดา เกิดเพลินทารยุดนิ่งบุญเต็มว่ากำลังใจก็ได้ว่าบุญก็ได้ว่าฤกษ์ก็ได้พูดภาษาบรนเรานั่นแหะคือความสุขใจอบางคนแยากได้บุญบุญบรูิจากเลยสมมุติว่าบุญก็ได้ว่ากำลังใจก็ได้ว่าฤกษ์ก็ได้เอที่คิดไปทั้งทุกข์เพราะบาปวิธีให้ไปรักษาเลยเท่ากันสาวใหญ่จะเข้ามาให้รักษา สัง น, นั้นไม่ต้องซื่อต้องขอต้องวอนต้องวอนขอสระสารให้เว้นโทษหาอยากเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์มันจะไปฆ่าสารละครเป็นการไปกูเหไปกินเหล้าแล้วจะเป็นมนุษย์โดมสมบูรณ์มนุษย์ก็มาเจ็บมาปวดมาเมื่อยม่หิวเนี่ยแต่มันเป็นมาแบบนี้หัดนึกพุทโธเลยอจะไปไหนนึกพุทโธพุทธพุทโธไม่เว้นไม่ไภใจเป็นเทเวดาได้ไม่ใช่เทเวดามารักษาดาง น, นั้นหัดตัว นายโดยปฏอาบัวิธีนั่นวันนี้ให้ทําเป็นฐานหยุดไม่คิดบนี้พูดภาษาง่ายๆว่าจิตนิ่งจิตชุ่มจิตวันก็ได้พระพุทธเจ้าว่าธรรมะใจสะอาดโปร่งใสเขาเปรียบเพียบบ้างธระร่างกายมีน้ํามิสบู่เพราะเช็ดตัวภายนอกส่วนภายในสกปรกรนดะบสาหรับตอนเราเป็นเด็กนอนขี้นอนเดียวสําหรับไม่เป็นเขาเปรียบเทียบ เดีไม่ใช่แบบนั้นใจกับว่าสินสมาธิปัญญาสติปัญญาวันนี้เราแววนโต้ก็เพื่อจะสําระใจให้ยึกเหลือตัลูใหญ่ซะคนไม่ปัญญาบ่ได้เอาดีเหมือนพวกเรานี่มาทํางานเอาเงินได้เงินเปลี่ยนจากเงินไปนทําไรบ่รู้เราก็รู้จักไปรักษาร่างกายอันนี้มารักษาใจเป็นบุญคือรักษาใจให้เป็นบุ ญ, ค, บญคือความสุขมีใจได้เป็นอนาศัยก็อยู่เลยรู้จักไหมไหวใจก็ได้ว่าเราก็ได้มันเป็นนามาทําบ่มีตัวโตนใครวัดไม่ได้ฝรั่งไม่จึง ไม่เป็นไม่ได้เ้ท่องรู้เองเหมือนนไม่เชื่อเหมือนโนเราคิดว่าใจบั่พวดเรานูนึกพทโธพโลงดูยึดไม่คิดลองูเลือกเอาไปเลือกใจอาหารการกินก็ต้องเลือกดีเชื่อพระก็ต้องเลือกอันนี้มาเลือกก็ได้ใจมนนใจเป็นอะไรใจนรกใจเป็นใจสัตว์ใจคนใจเทวดารูปผมใจพระใบริสุทธิผ่องก็ยึดเดือดรู้นะใจเป็นพระอะไพระพุทธเจ้าศาสตร์สรู้ไปเป็นพาตอาหารส่วนพระพุทธเจ้าก็สวู้แบบใจบริสุ์ ได้บุญเต็มพูดภาษาบรบรบลุการรักษาได้หมดบอกวิธีให้มีเงินก็ซื้อไม่ได้ขอเอกก็ไม่ได้ต้องหัด โอนร่างกายเรามีเงินมารักษาร่างกายดอกเบือนนู้น อ, อยู่ได้สบายสักหน่อยเปลี่ยนจากเงินนี้อันนี้มารักษาใจเป็นบุญเรารู้จากบุญนูไม่เชื่อเราคิดเองว่าเจ็บมาปวดเขาไม่ได้ว่าอะไรการงานคือเหมือนกันเขา ไ, ได้สุขได้ทุกดีร่างกายมันก็เป็นอยู่อย่างเกิดมาท่องธรรมดาเขาเขาอยู่นิ่งเบื่อได้บอกบุได้เลยไอ้ว่าเราพัดธ์ทำ ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นหลวอปูสป่สัพพโสอนอย่างน้อยก็คู่ว่าอยู่กับมึงอย่างน้อยอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธก็เพลินเพลินเดิไปไม่อยู่ที่ไห้พุทโธก็ไเอาเทวดาก็าไม่เอายึดในคิดได้ไม่เกิดบมดเรื่องเอาละสาบอกวิธีให้ในั้นเราให้ทําเป็นสารหัดเอาเลยไม่ใครทีม่มีชื่อไม่ได้เตรียมตัวไว้ อยู่ตอนนั้นเวลาเจ็บขครจะป่วยเวลาจะตายจริงๆมือนโดนหัดไว้ล้วก็อย่าไปคิดว่าจะมาปวดเพราะนี่ปวูสองปวดสองปต่อไปวดวดกับวันถ้าเรายุดไปคิดตอนนั้นไม่ชุกข์ไม่ยากหมดลมหายใจก็ไม่เกิดขอว่าสิ่งผานเสสไม่ใช่เป็นบ้านเป็นเมืองพูดภาษาขอเราไม่โกิดกันหมดเรื่องเน่ยเออแต่เขาเนี่ตุ้ง ตั้งซื้อขึ้นมาเฉยๆแต่จริงพระเจ้าไม่เกิดหมดเรื่องห่อกบอกเจ้าพระทธเจ้าทำตามได้แล้วบอกวิธีให้เขาเปรียบเทียบเอาภาษาบ้านเราเจ็ดนิ่งเจ็ดส่วรวมเอาภาษาบ้านเราพูดให้ฟังก็ะยุดคิดในคิดเหมือนร่างกายหยุดเป็นหยุดยักแท้เป็นเมื่อเมื่อยก็ะยุดเป็นกินกระยุดยัดหยุดนอนกระยุดหยัดหยุดวันนี้คิดหยุดคิดเรองดูบ่อ ี่คิดทุกข์กับเบองกับทุกข์จริงๆว่าน nee, ี่หัดหัดได้พุทโธได้หัดหยุดเลยถ้าหยุดเป็นอะไรบ้างเนี้พุทโธมันจะโกรธนมโกรธไม่จะเครียดไม่เครียดมันจะเครียดไม่เครียดหยุดปั๊บบุญเต็มเอันนั้นเราละพอหยุดได้พุทโธถ้าหลวงพุทธทาว่ากู้อยู่นี่อันว่ากู้ก็ได้ว่าเราก็ได้ร่างกายไม่ใสขออยู่ก้นโลกก้อนทุกข์ก้อนกี้ขี้ตัวมืออย่าไปเชื่อหลังหาความสุขฝังล่างกายไม่ได้หาความสุขทางใจ สุขอย่างใจเพียงเลกพุโธพุโธก็ะเพิดเพลินเพยึดเหยืหย่อตู้นะจิตสงบเป็นสุขอย่างยิ่งว่าจิตสงบก็ได้ว่าหยุดิดก็ได้วใจรวมก็ได้มาเปรียบเทียบรวมเข้ามาเห ม, มือนอาคามเด้นไปเมื่ อ, อกี้นอ่สร้างสละเขาอะไรไิงอะไรมารวมมันแล้ว ม, ว ม, วมันจะเขาก็ได้เงินเนี่ยเขาทําเป็นอันนี้ใจเราก็รวมมา รวมก็มาหยุดในคิดบทเรื่องเอามาจากแนวลบจากเปลี่ยนสัจสัจคนแต่เทวดารูปภมก็ไม่เอาหยุดเหลือทะลุไม่ทุกข์ไม่ยากบอกวิธีแน่ว่าใจเป็นพักก็ได้เอสมมุติแท้จริงหยุดเหลือทะลุไม่ทุกข์ไม่ยากเพราะจะอยู่ได้ปุ๊บเราอยู่ตรงนี้รักษาไม้ดีอันนั้นล้วร่างกายมายืมเขาอยู่มาเสกเขาอยู่เขาจะได้หนีวันไหนก็ได้ได้ไม่รักของพ่อแม่ได้มากกับมาแต่ใจไปกับไปใจใจแบบอย่ตงนั้นมาจากไหนคิดพูด ให้ฟังเมื่อกี้นี่มาจากสวรร์มาจากคนมาจากสัตว์ออกจากนี้ไปง่ายไปนรกไปอยู่นทาไม่ได้ลักทษกห้าไปเป็นเปรตเป็นปีเป็นสัตว์เเราเห็นสัตว์กับคนเป็นเทวดารูปพระพรหมไม่เกิดหมดเรื่องหมดไอ้คนนี้พานก็ไม่เกิดหมดเรื่องฮัดเราเรื่อยไม่เชื่อลองดูแคดว่าจะบปวดรักปวทั้งลองดูนึกพุทธพุทโธลองดูยุดไม่คิดลองดูไม่อะไรเลือกหรืเลือกใหญ่ได้บัดอาหารการกินก็ต้องเลือกได้เสื้อ ก็ต้องเลือกไม่ไดีก็ไม่เอาเอะไรแบนั้นส่วนร่างกายก็เกิดมาอต้อง S <S แก้ไม่ได้เลยอันนั้นแหละยังกินยังดีพวกเรามาเป็นคนเมตตาสมบูรณ์มีความรู้เขาจะเราตร้องดันหัดรักษาไปมันไม่ได้น่จจานจะหมดลมหายใจเวลาไหนไม่ได้วันนี้ถึงเวลาตอนนี้เวลาจะหมดลมหายใจมันจะมัหยุดใคได้ป่วยขึ้นมากันพระพุทธพระุทธเขาเพิดเพิ่น ม, มันหายหายพุทธหมดลมหายใจก็ไปอยู่สวรรค์ถ้ายึดในคิดได้ เไม่เกิดอีกถ้าเราเว้นโทษห้ามาจะไม่จะอยู่ในความเจ็บความปวดเกิดบัง เ, เกิดมาเป็นคนอีกมาทุกข์อีกแล้วเราไปอยู่ในท้องแม่ลองดูบุ่นะเพราะว่าตกนรกสิบเดือนบุญคิดหรือลองดูอยู่ในท้องแม่ออกไปใหญ่ในท้องแม่ทุกขนาดได้เกิดบังเป็นคนไม่ใช่ของง่ายถ้าไม่มีใครเลี้ยงเอาไปตกนรกสิบเดือนบุญได้เอิดมาไม่ใช่ของง่ายเลยพระพุทธเจ้ายึงหาที่ไม่เกรธสมมุติในพานทัา น, นพบท่านเจอสอนมาไม่เกิดก็ทำงานก็หยุดคิด การคิดคือการเกิดหัดอะได้หมบอกวิธีให้ย า, อ, ยาอื่นเราคิดเป็นะ่ะอคิดทุกขคิดยากก็เป็นในภาษาแบบนี้หัดเนักพุทโธสัก่อนพุทโธพุทโธพุค่ อ, ตตตตคอยแๆแหลงๆสัก่อนผูกไว้สัก่อนเป็นเครื่องสติผูกแล้วก็หัดหยุดไปเหมือนคนเราเสรัดเอาสร้างนในป่ามาผูกเอาวัวเอาควายเอาหมามาผูกแล้วบังคับให้มันทางานมีเครื่องบังคับด้ว้ทํางานเอางานจากมันอันนี้ก็ บ, บังคับบับงคับเราพุทโธผูกบังคับให้มันหยุด มันจะคิดตัวไม่คิดใดคิดพ อ, ine, อหยุดได้กับบุญเต็มแต่พูดภาสาเลยอ่บอกวิธีต้องบังคับยกของบังคับได้ใหญ่ร่างกายบังคับไม่ได้เลยต้องหายใจตรงนั้นเรามาบังคับอย่างน้อยบังคับใจมันจะไปค่าสรักษ้าเป็นในการไปขอกี่ยวเลาไม่ไปมันก็จะเป็นมนุษย์อารมสมบูรณ์บังคับให้มันอยู่กับพุทธพุทธพุทกับเป็นเทวดาเลยบังคับให้มันหยุดกับใจบุญเป็นบุญใหญ่เป็นภาะบอกวิธีบังคับคือคืออดบางท่านบางคกเราที่เรีรรรรรรรยนหนังสือ ได้มาทํางานงเทวรักระมามันได้เงินทํางานไม่ได้เงินอันนี้รักษาอยู่ในบุญใยว่าในบ้างจะได้บุญพน น, นึกพุทธโธก็เป็นเทวรัจยุดได้บุญเต็มบอกวิธีไงเด้อไปรักษาบอกวิธีง่ายๆอย่ยาว่าพอพธดคำคนบอกข้อใจดิอ่มารักษาใจให้เป็นบุญบ่ิใจมีออ้แต่ฝรั่งมันบอกมีใจแด้วเสบียงเสบสั่งงานมันมับบ น, น, ม น, มนบระทุอันนี้มีใจมารักษาใจก็ได้เป็ปนนามาทาบุญมีจัวชนอยู่ตรงนั้นหาลองดู เรานุเราแค่ประหยดไ่ปวดไม่เมื่อยที่มันก็ทุกข์พอพอพอลองดูพอเปืี่ยนพอาหยุดได้พุอเราอยู่ตรงนี้ว่านั้นรักษาไม้ดีนั่ะนเห็นไม่ใช่เห็นได้แค่รู้ได้อไม่ใช่เห็นร่างกายต้องเห็นด้วยตาเลองดู อันตรายใจต้องรู้บ่รู้แล้วโกรธแล้เครียดมันไม่ดีเพราะเรานก่กโพธิพ์โธ่โพธิพ์เพลินพระเรายึดคิดไม่ใช่หลับได้ตัวหลับงโง่เลยตัวเรานอนหลับใจไม่นอนขอใจบ่มีตัวมีตนเข้อไปพบหน่อยพวบใหญ่ตัวเรานอ น, ล น, อ น, อนปปหนอนอนลับไปเปิดไปหาเกิดบันเทียยู่โรคพระทิศไปเชิญประคารตื่นขึ้นมารีบเอาม า, าบางทีเอามาไม่ได้คนมันไปหาเกิดได้ใหญ่เพิ่นในสํารวมระบังกระบายาบันเจปภาวนาเอาทั้งวันทั้งคืนกลัวจะไปเกิดไม่ใช่ของง่ายได้ตัวนี่ อ่าอะไรกูเนีพวกเรามาเป็นคนแก้ไขได้ไปถ้าไปเป็นสัตว์ทำไงเราเลี้งสัไงไม่ใช่ของเล่นว่าใช่สร้างมันได้มาทุกเรยบอกวิธีหดรักษาบอกวิธีให้รักษาทุกคนไม่มีตัวไปไม่มีใครสอนเออเพราะเสื้อพลั่งเร่ไม่มีใครบวช พลังหาความสุขทางร่างกายบางเรื่องมันขยายความสุขเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องนูเรื่องเสียงเกยเพราะมันอยู่ในท้องแม่มันทุกข์มาเจอรูปเสียงกลิ่นรสว่ามันสุขไม่ใช่มันเพิดเพลินเสย พระพุทธเจ้าไว้จิตถึงบเบนสุขหยุดไม่คิดเหลือแต่รู้ไว้จิตถึงบก็บอกไปเอาภาษาบ้านเรามาพูดยุดไม่คิดไม่ทุกข์ไม่ยากไม่ใช่หลับใดหัดเอาไม่ใช่ลองดูคิดว่าใจพ่อนพักเพื่อไปเหยียลองดูนึกพุทโธพุทโธลงดูยุดไม่คิดลงดูนั่นน่ะเขาย่อลงมาพุทโธธรรมสังโฆลงมาสานาชีอยู่นึกพุทโธพุทโธเพื่เพื่อเพื่เพื่อจะหยุด ในถ้าเข้ามารวมเข้ามาเหมือนเขารวมมาขา น, นาวันโน้อเราเป็นมันแรกมันเสร็จเขาก็ได้เงินบนันโนดูอาการเขาทําได้ทางโลกเขาอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านรักษาใจเป็นแล้วกุบายใจเป็นแล้วจึงมาสอนคนเส้นสงสารหุ่นมันทุกข์พระพุทธเจ้าสอนเหมือนใช้เวลาสี่สิบห้าปีอ่โนเพื่อจะได้มาเบางวันจะตุรุนั่งอ่าจนสว่างเลยกลัวตาอยู่น้ฮะกลัวใจจะเลิก พระพุทีเจ้าก็พิจารณาความตั้ตาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลมหายใจโอ้ลมหายใจเข้าไปไว้ออกมาลห า, ายใจเพื่อนก็เปรียบเพียบว่าแผ่นดินที่เรานั่งอยู่นี่ เ, เขาไมเห็นทุกข์กี่ยากใครที่จะต่อยพระพิจารณาสอนเจ้า ข, ของอย่าไปกลัวทำไมอย่าบอกวา่าใครเป็นผู้ว่าลมเขาว่าไหมเขาไม่ได้ว่ า, วาใครเป็นผู้ว่าตายอาใครไม่เป็นผู้เ่ า, เาใครเป็นผู้อาสอาัยธรรม พขาไม่ได้ว่าเราคิดขึ้นเองหยุดปั๊บพุทธโธผู้นตัดจุลุกตอนนั้นผู้เจริจึงสอนมาด้วยอย่างไมอ่าไม่ใช่พยายามมาในะอย่างนั้นอย่งนีงงก็เปรียบเทียบยอดสงนานผูนป ร, ระจัจุลุก็สอนเมตตาคนเนี่ยเพื่อสำเร็จเนี่ยมาบอกวิธีให้เวลาไม่เกิดท่านไม่เกิดอีกท่านก็สอนวิธีรักษาใจใครทำได้ก็เหมือนกันเนี่ยทางโลกนี้เขาทางานเอาเงินมารักษาร่างกาย แม่อใจอใจไม่ใจเปน็นนามธรรมไม่ใช่เห็นลองดูให้คิดลองดูคิดว่าเจ็บก็ปวดลองดูนึกปุโทปโธพุทโธหยุดได้โอ้เราอยู่ตรงนี้อันนั้เราอใาจได้ได อี่บอกวิธีในร่างกายไม่ยืมเขาอยู่อยู่ตรงนั้นเราเคยเห็นอย่างดีมาอยู่ในคนไปอยู่ในสัตว์เดี่ยงลำบากไปเป็นเพจอยากกินอยากนั่ง อ, อ, ยกกอยากนอนกินแล้วนั่งแลนอนบนนูปไปอยู่โลกพระทิศไปยันใจไปอยู่เดิมมันอยู่ได้ทุกเกิดเดิมเมืองเพวกเราเขาเป็นนั่งขดอยู่ในท้องแม่เชิเดินบนนู้ตกนกรกสิบเดือนเพื่ขอขาจําส้าแต่ตั้งเหม็นตั้งครับตั้งแกบได้ยัยงได้ออกมาบนนูบางคนก็ออกมาไม่ได้ ไม่ใช้ของง่ายให้เกิดเป็นคนก็นทุกข์ไงพระพุทธเจ้าจริงอย่ไม่เกิดอย่าไปทุกข์อะไรบัดบอกวิธีให้ว่บัดบอกวิธีให้เรื่อยไปไหนอย่าไปห่วงมันบัดบอกวิธีให้ต่างคนต่างรักษาง่ายๆบอกวิธีรัดๆควาสำคัญนน จ, คนน จ, คจะเป็นมนุษย์เว้นโทษห้าเสี้ยวใส่ทานซึ่งแจ้งห้าข้อนี่จะไปฆ่าสารรักษาพินในกรรมไปหัวกินย่างไม่เอาเด็ดขาดเกิจะเป็นมนุษย์อุสมบูรณ์วันนี้ไปไหงอย่าไปคิดไปเป็นคนเพียงเนี้ยพุทธพุทธพุทธเพืพ่อเพลิน ห้ายุดไม่คิดอะไรไม่มีอะไรต้องดูไม่คิดว่ามีร่างกายไม่คิดเป็นบ้านเป็นเมืองทําเหมือนคนโง่จะเป็นคนเสลากหรืออะย่านี้หยุดได้ต้องอย่างดีคนนี้มือสามมือหนหยุดต่อไปมันเป็นยาณจะลู่หมดพระพระเจ้าท่านจะลู่ว่าที่นั่นเป็นอย่างนั้นที่นี่เป็นอย่างนี้ลู่ได้ไม่ใช่เห็นได้เลือกรับได้บอกวิธีในอันนี้เป็นอะไรอันขาดใจไปเป็นอะไรว่าเป็นญาณ เนื้อใจใสใ จ, ใ จ, ใจบริสุทธิ์เราเปรเียบเหมือนน้ำมันนิ่งมันสใสมองเห็นใจเราซึ่งบนิ่งเท่าไรมันจะรู้ไม่ใช่เห็นที่นั่นเป็นอย่างนั้นแม่ใจคนท่านก็จะรู้เพระพุทธเจ้าก็บายยานเรียงรูปพระพันธท่านก็จะรู้หมดเออไม่ใช่เห็นได้ตัวนี้ไม่ใช่เห็นอาร่างกายเราต้องเห็นด้วยตา ต้องรู้เสก่อนไปเห็นเดินไปบุเห็นหนุ่มตกหลุมเดาร่างกายต้องดูต้องเห็นใจไม่ได้เห็นได้ต้องรู้ได้เบื้องรู้เราโกรธเราเกลียดขึ้นมาแม้ก็ไม่ดีเพราะนักพุทธพุทธก็เพื่อเพลินพอเราหยุดได้พุทธเราอยู่ตรงนี้รักษาไม่ดีได้อย่าว่ามันยากไม่ต้องซื้อต้องขอต้องร้อนต้องโอนไม่เหมือนเงินบนร่างกายต้องกินต้องนั่งต้องนองให้ใจให้มันบุเห็นขี้เกียจเลอเบื้องลู่ต้องให้ใจให้มันอยู่ตลอดอันนี้ เราบ่ารักษาไม่ได้เลยเไม่รักษาไปรักษาตัวร่างกายมันก็ขาดทุนเนี่ยอันนี้มันรักษาใจก่อนจะคิดต้งพิจารณาไปก่อนเราคิดไปทั้งนี้ดีไหมพิจารณาถ้าเป็นเราบ่ต้องพิจารณาจ้างให้ไปคิดก็ไม่คิดเลยเหมือนพวกเรานี่จ้างให้นอนไฟก็ไม่นอนให้นอนน้ําแข็งก็ไม่นอนด้วยนี่อันนี้เหมือนกันรู้จากสุขทุกข์เราเป็นผู้คิดจ้างให้คิดไปทุกข์ใครไม่คิดเลยเราด้วยจากใบโทษเราเไม่แบรู้จากวิธี เมื่อเรารักษาร่างกายเป็นรู้จักหลยให้นอนไฟใครจะไปนอนให้กินไฟใครจะกินอันนี้ก็เหมือนกันสุขทุกข์เราเป็นผู้คิดอย่างคิดไปทุกข์ก็ไม่คิดแลยบอกวิธีให้เลยบางทีรักษาใจเอาใจแล้วมาเข้าพรรษาอย่างน้อยจะมาอยู่กับพุทโธพุทโธอย่าไปอยู่กับแม้ร่างกายอย่าไปคิดว่าเจบว่าปวดว่าเมือยว่าหิวอย่างน้อยอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธเพื่อเพลินเถอไปหยึดไม่อยู่ที่ไหนหยึดเหลือแตะลู่ไม่ทุกข์ไม่อยากไม่ใช่หลับได้อาเจียนเชื่อมว่าเบื่อตะลุ่มพูดภาษามันแล้ว ถ้าเหมือนคนว่างจะเป็นคนสลอาดมันจะรู้อะไรหมดทั้งนั้นไม่ทุกข์ไม่ยากอาจบอกวิธีในอวิธีในช่วงร่างกายเขาเป็นอยู่อย่างนั้นบังคับบวได้ธรรมดาเขาเป็นเขาไม่ได้ว่าเขาเจ็บเขาปวดเราคิดเกิดมาแย่งเลยการงานก็เหมือนกัรเกิดมาต้องทำงานงานก็นไม่ได้ปทุกทีก แล้วก็เลยมาต้องทําางนบนุญหัดบอกวิธีให้บอกวิธีรักษาใจไม่ได้บอกวิธีรักษาร่างกายเราเราจะใจที่ว่าเราก็ได้ฝลังมันบ่มีใจใหญ่เนี่ยมันเอาสมองประสาทสังหานสมองประสาทมันเป็นเครื่องยนต์ของร่างกายมันมันสร้างรถสงเครื่องบินต้องมีคนขับบุญหัวคนขับอย่างหนึ่งเครื่องบินอย่างหนึ่งบุญหัวอันนี้ก็เหมือนกันใจนี่ขับมานี่ก็ได้ขับไปฆ่าคนก็ได้เนี่ยร่างกายไปฆ่าคนใจเป็นผู้ได้เลยร่างกายเขาม่ได้เลย ไปเหไปผาศพบนนูมันได้อะไรไปด้วยอี่ไปแล้วนำศพมาเขาเดามือให้ดูแทนไม่ได้อะไรไปด้วยเขาเป็นโฆษณาเดี๋ยวตอนนั้นเกิดมาไป่เอาก็เราเกิดมาก็มาจะกรรมอะไรอ่าอาบุญหรือบาปทํากรรมเถอะก็ต้องทําเอาบอกวิธีไงเราไปไม่มีใครสอนว่ไปสอนวิธีรักษาล่างกายบนนู้นโรคเราโลกนี้บนเกิดมาตายทุกคนเหเขาเคเห็นยามือหาวที่ว่าต แกวหาที่ไม่เกิดิดว่าตายได้ใหญ่ไม่ได้ตายร่างกายปัญหาเรื่องไปเกิดแล้วเท่าสารที่เกิดพูดแล้วเ น, นลรกเปรตสัตว์คนเทวดารูปพระพรมไม่เกิดหมดเรื่องบอกวิธีหน่อยเดี๋ยวบอกวิธีใน่อยเน่ยาวว่ามันยาก รักษาหัดเรานั่งก็ได้นอนก็ได้เตรียมตัวไว้เนอนอยู่ก็นุ่งผ้าพันผ้าพัเพลินเนี่ยตรงนั้นอย่าไปคิดว่ามีร่างกายถ้าร่างกายมันพูดเป็นมันด่าเป็นมึงไม่อยู่กับกูทําไมกูปรฏิสุได้ทุกสามมนุษย์การงานก็เหมือนกันดินฟ้าอากาศปดิสุได้ทุกได้เราห่างมาอยู่เราจะแบบร่างกายเขาเมตุที่หลบทุกวันเนี่ยฝลั่งมมีห้องพัดลมห้องแอร์แต่ฝนชะตาเขาหลบไม่ได้สักคนน่ะล่ะเอตัวเปิดบ้านสว ย, สวย ไปอยู่ไปอยู่โรงพยาบาลเรงพยาบาลเขาไปอยู <Moscow out> <master> ่ยัดเราลงไปฝังไปฝังให้ใครเขาไม่เอาหลังกายเจะกลัวกันใช่ไหมบอกวิธีนะบอกวิธีรักษาใช่รักษาให้อย่าว่าว่าอย่ว่าสอนทำอันนี้บอกวิธีรักษาใจให้เป็นบุญคือความสุขต้องรักษาวเองเราให้ทานภายนอกด้วยความเปิดใจดีใจอันนี้ทานความคิดเสียคิดทุกข์เรื่องยากไม่เอาในตนั้นมหัดนุกพุทโธพุทโธพุทโธกทานเท่งเใียยึด เลือดะลุนะให้ทําเป็นสารทนาการให้ทางปวงว่าอาหารใจก็ได้อาหารร่างกายบนมีอย่างอาหารใจกับพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยคิดไม่ดีนะอาหารไม่ดีเอาอี้บอกวิธีให้บอกวิธีหลายอย่างบอกวิธีรักษาพูดภาษาบรรดาคนมาเข้าใจดีพราวนาก็รักษาใจภายในด้วยจากทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอย่างนั like ้นเด้อร่างกายนี่ถ้าคำธรรมดาเขาเป็นอย่างนั่นเกิดมาเรายึดร่างกายเป็นเราไม่ใช่เรา มาหาเราว่าเราเพออยู่ได้พุทโธว่าเราอยู่ตรงนี้หัดเราหต่งคนไปบอกวิธีง่ายๆนั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้วิธีรักษาเตรียมตัวไว้ว่าจะาใคได้ป่วยว่เนะืะ เราลุกไม่ได้นอนอยู่กับภาวนา e ไาอยังนอนนึกปบปรบปบเปิดเพลินถ้าหยุดได้น่ะแล้วูพันธุไปเยี่ยมพระป่วยเพราะภาวนาใจสงบมันหายนะถ้าไม่หอบไายแล้วสงบก็หยุดอีเดียวแล้ะพูดภาษาบเราอ่าสงบก็ได้ ใจญ่รวมก็ได้ใจสาดก็ได้เขาเปียยๆมันไม่เห็นก็หยุดก็เหลือต่ลูกนั่นเราจะไดี้พอหยุดได้ปู่พุทธูเราอยู่ตรงนี้รักษาให้ดีวันนี้บอกวิธีง่ายๆบอกวิธีรักษาใจให้เป็นบุญ เราทางนั้นบอกวิธีให้หัดอดเอาอดเว้นโทษห้าสกุลก็สําคัญมันเป็นห้าข้อมันเป็นโทษเป็นโทษของใจเป็นตรื่องนั้นเรื่องโทษแล้วก็มาหัดนึกพุทโธพุทโธพุทโธข้าวสารนชีอยู่ย่อลงมาพูทโธธรรมโสดสงฆ์เดีเรากล่าวไว้ว่าเพื่อย่อลงมาอ่ะอาที่อยู่เป็นสติผูกไว้หลวงปู่เทศระผูกไว้สกุลเหมือนคนเราผูกสั้ว์ผูกวัวผูกควายผูกแล้วบังคับให้ไปทำงานเอางานจากมันนีง บอกแม่บอไปก็เครื่องทีเอาเราก็บังคับเครื่องทีเจ้าของมึงจะคิดกูไหมคิดมันจะคิดไหมคิดมันกลัวเดมันก็ยอมรู้อย่างไหมเพราะนั่นแหละบังคับเครื่องบังคับอ่าบังคับใจมืังว่าเครื่องบังคับบวกรู้ไปอยู่บังคับสร้างบังคับมาเขาแอกเขาใสบุนูมันบอกไปก็ตีอันนี้บังคับเจ้าของมึงจะคิดกลไหมคิดมันจะคิดไหมคิดมันกลัวมันก็หยุดอันนี้นี่ยคือความอดพวกคนที่ง่งอันนี้เป็นเครื่องมืออย่าไปได้เอาเรื่องมือบังคับ เอาบุญคือความสุขเถอะเที่ยงโยกับพุทธบอกันบอกพวกพเรานี่มาทำงานทำงานเอาเงินเ็ ได้เงนินได้ควาแล้วไปทํำอะไรเป็นอาหารเสี่ยวชาที่อยู่อาศัยยามำัดโรคเดี๋ยนี้ยาอันผ่านะให้ความสะดวกร่างกายเงินอะบุญคือความสุขใจวันนี้บอกบอกวิธีง่ายง่บอกวิธีรักษาว่าภาษาเราให้บางบอกวิธี ท, าทํานเส้นเชี่ยวไาวเนี่เราเคยถุกเคยยากมาเมื่อคีอ้เช้าในทานอาหารการกินในความเพลินใจดีใจอวันนี้ทานเส้นเชียวเราเคยห้าข้อไม่เอาไม่ไปข้าวสารักทรัพย์บบ็นการไปโหไปกินล เรื่องทุกเรื่องยากทารุณเร่างวันที่นี้ยะเอา ก, า ก, กับไปเอาแต่ความสุขความสบายนี่แต่ความผู่ความสลัดเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากวันนี้บอกวิธีรักษาใจให้เป็นบุญเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังนําไปประพฤติปฏิบัติโดยความไม่ประมาทจะประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทั้งปัจจุบันและข้างหน้าได้แสดงมาขอยุติเอลัง น็นอนชอบนี่ฮะวันวัดไม่ได้ก่อสร้างแล้วหมีแต่พัฒนาม่ใช้ข้าน้ำก็ไปพัฒนาไม่ไยด้อยอ่ดิ่เออแค่แกทำอยู่ทุกวันแก้ไขไปเรื่อยแลย้ามก็ไปพัฒนาไปก็เล่าในหลวงราชการที่เก้าสนาทนาธรรมกันหลงปูกฟันนะครับลงเออนี่ ือเตะกอนสั้นประลบเลยดูบูกฟันทั้งนั้นมาบวชมาเขาว่าพระเจ้าน้อยเ็เป็นพระเจ้าแต่น้อยเพราะว่าคเคยเห็นนิมิตรพวกสัตว์พวกคนลบลาข้าฟนันกันกันเลยพระเจ้าน้อยเนี่ขึ้นกันงเงียบจนมาพี่ปบี15หนึ่งห้าบีหนึ่งห้าก็เลยสถานอากาศเขาโจมกถิน า ท, า ท, ท่านก็เลยไปโทษกระถิ่นพอโทษกระถินเสร็จเพื่นก็รกาบเรียนหวูฟั่นว่า ผมมาทอกดกระถิญจะทราบ ว, ว่าอยากเจ้าคุณศาสนาโสพลวัดปรวรณ์แล้วก็เป็นศานาพนว่าท่านอาจารย์ทำมีคุณธรรมสูงมานัสกสการณ์ทอดกระถินด้วยแต่นั่นเพื่อกระามว่าทำไงจะให้ประชาชนมีความสามัคคีกันเราอว่าไหนคนเ อ, อต่างคนต่างรักษาโดยเฉพาะรักษาใีหน้าอย่างวปวรณ์รับาลานแม่ก่อนหนึ่งห้าอะไรเออจะสอนนะ อาจารเจ้าขวัดัอย่างย์แม่ก็เลยยังถามหลายๆเรื่องไมมพอก็เล่นมามาวัดบวรวัรบนบวรวัรนวนั้นเดจารมาก็ม า, กมาด้ว ย, ยเดินหนึ่งห้าท่านอาจารย์ก็ไปเที่ยู่จิริยาลาเลยวัีเดี๋ยคุณสานาสุภวรมารุ้มาว่าถ้าอาจาร์จะกลับทันไหมนายหลวงจะพาในบันเข้า เขาวังพระาวันนี้เขาไปทูลเพื่นเพื่อนก็บอกว่าเราเป็นลูกศิษย์ต้องไปหาท่านดิแล้วก็แล้วก็นายชลเจษมาได้ก็เลยอาจารย์พระนกรถนดรเลถามโลกี่ยวคุณฐานพลญาเทศในหลวงกันแล้วแต่อาจารย์อะไรนี่ก็เข้าไปแเกียแล้วก็เพื่อนก็ร้องการอยากให้ภาษาสนเข้าวัดมากๆอยากทงานไงอาจารย์พระนให้มาบอกพิษเข้าก่อน ท่านมาวัดบวนมังกรหลวงปู่พันมาวัดที่จารีโอ้ไปในรถก็วัดได้ท่านก็ไปหัดทม จนวัดดั้งสมาธิได้รู้ที่นั่นเป็นนั่นฉลองตัวเซามาแล้วม่อเดือนนู่นนั้นแหละพระราชนีเพื่อการใช้งานใ้ถวายตัวว่าโอ้ท่านอาจารย์เลี้ยงเลือดฉะแล้วยากเหลือเกินราเ็จไปไหนเขาพูดไม่ตรงก็โกรธขึ้นมากับพยายามจะระควรจะเป็นเปรตแล้วต่อมาเพว่กาให้โูดอยู่แล้วเป็นดีในหลวงเพื่อได้หลักมานะแก้ปัญหาได้แต่แต่แต่แต่แต่เป็นข้างคุณบาอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยในหลวงพระราชนีไป ไม่ได้อยากได้อย่งนี้จะให้ประชาชนมีความสมัครใให้คนเนะ่ะถ้าไม่ได้หวังประโยชน์อนะไรเรียนถามยังองจะอยาะยาให้ว่าเมืองจะมาเกยกันอย่างนั้นอย่างนี้แต่เพื่อการได้หลักมาจากโน้นจะได้รวงกัน ไม่ 1, ลักหนึ่งห้าไปเลยตั้งแต่หนึ่งห้าไม่ได้นานเลยตะกอนเพิ่งเฉลิชใจอย่างนี้เพิ่งเพิ่มีปราเอยตะกอนเพิ่งกรรับเป็นศาสนาโสพลเพิ่ น, นพ่อในหลวงเข้าศาสนาโสพลเพิ่งกับปฏิบัติบินทบาทสันโดเดียวเด้ สิดตอมาจิกนีเป็นชมเดียบพญานาสังวรแสดงไปวัดทำขามพูดโอ้ยนะไปเราไป้ิดต่อทำขามลงมาพักที่วัดเป่ารงพองโอ้ยทำขามนี่ก็เป็นโกคขื้นใจอยู่ไปได้มินบาทเพิ่นมินทบาทลงดูขึ้นเขาชมเดียบพญานาสังวรเพิ่นโดยได้เป็นนรจิตอาันพันเดี๋ยวก่อนเพิ่นไป็นสานาสุพน์อะไรเวก่อนต่อมาก็ อ่าสมเด็จพระพุทธพุทธแต่เมื่อตอนอันนี้อดีสมเด็จนี่มาพักอยู่วัดเสนานในคมนี่ตอนได้บ่ายมหามภร์เนี่ยเห็นนั่งรถเมย์ไปไปพังเทสเพลิ่งลงจากซอยสี่เขเดินเข้าไปวัด หลวงพู่ว่ามาหาองค์นี้แปลกอยู่นะนั่นแหะี่นัเป็นสมเด็จพระสังราชนี่ความเทศอาจารยันเลยนะเออน่นะเออพระเทศเด็กพเป็นมหาพรนั่งรถเมล์ไปจากกรุงราชบุรีลงมาพวกชายชีเดินเข้าไปวัดเชนาเคยเห็นไหมหลวงปู่เรามาหาองค์นี้แปลกเนละปมาบางทีม า, ม า, มาบอกย่าโ ย, โยมตันท่านเดินกลับขอไปพระอรก็ใสไปส่งท่านบงีเป็นสมเด็จพรจ้ว่าเป็นลูกศิษย์อาญารหละ แด้ไปได้ไปชมกันเมาเนีจพยายามเว่าออกคู่ดมเดย <c oughs> น, นันะเพิ่งเก้เลยหลวงออ ป, ปออู่พรอมนะบ้นอะไร้างหลนที่อนวพ่งมาชาไปรจอนพุนผินเป็นเบอร์เท่าวบบเป็นร้อยเอกอยู่โทราช ไม่น่าจะได้เป็นตาเปียกๆไปพัฒนาเผื่อว่าลูกจิดวงปุ พ, พ, พกกันเนเพื่อเพื่อนกระส่วนให้รักษาใจมันดีพวกไปถามมือกี้ใจดีแบบไหนใจ <c oughs> ด, ดีก็หยุดไม่คิดนะแตกเหมือ น, นกันไม่เพิ่นสอนคนนั้นมากก็สงสัยอยากได้มากได้เท่านีกก้กูเลยอยากน้อยได้เพิมมือไม่อยากอะไรยิ่ง้วยเหมืน ความอยากมันเป็นไฟเหมือนไฟกําลังลุกทิ้งอะไรเข้าไปไม่รนะู้ความไม่อยากเหมือนก็ดูฝนเลคือเจองการะให้ทําเมามันมากก็งสง <c> ส <oughs> ัยเลยทำไบก็มาที่บ้บานก็เชื่อของท่านไม่อยากอะไรยิ่งแล้วแต่คนเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งว่ามีก็ทุกข์เพราะมีบ้างหนึ่งคนมาจากมี ไม่มีก็ทุกอย่างหนึ่งมีก็ทุกอีกอย่างหนึ่งต้องรักษาใช่ไหมน <laughs> ี่แฝงฝืนหนึ่งเลยพูดแปลงมูอเลยก็าถูกความทานมีก็ทุกพอมี <c oughs> ทุกอย่างหนึ่งต้องรักษาใช่ไหมไม่มีก็ทุกอีกอย่างหนึ่งคนคนนี้นมาจากมีมีอะไรก็ต้องรักษาเมิ่งเรามีผ้าพื้นนึ่งก็ต้องรักษาใช่ไหมอันนี้เขามีร่างกายก็ต้องรักษายิ่งไปไหนอย่าไปคิดว่ามีร่างกายไปไหนอยู่กับพุทธโธพุทธโธมันก็จะดีเด้อเบื่อบอวิีกพูดฟันไปมันฉลาดแปลกเลยเล่นเก่งฟันมีฤทธ ไม่ได้เพื่อฟังเทศในาจานหายากเลยอาจารย์วันที่สนสอนสอนใครกั็สอนสอนแค่คำเดียวหรือพวกเขาไปยังเมืองอันนี้กับไปอันขุนชายบางนี่ก็บอกไปสมคุณเมีแกบว่านั่งรถไปขับรถไปถึงร้อนหาเลยหายเมื่อเด้อพอไปท่านเห็นท่านพูดนั้นทีนี่คนฟังเทศท่านเน่อะเลื่อหมดเรื่องพวกในยากเมื่อใดหลวงบู่ฟังนคนยังไปตายพวกคน <c oughs> เนี่ยกับท่านพูดเรื่องพันนั่งสมา ที่เข้าไม่เกินเจ็ดวันคนไปรม่ใช่า่ะลง่งไรเท่ๆไป เยวราชสมาเซยไหมใจคงง่ายทำเหมือนคนงก็ควจะทั้งทางที่ไม่โหอะไรเลยไม่โกนสามวันคนร่ำรวยเท่ทีบไปหมดอ่าไปไหนไปไหนผมเชจอดรที่ไหนตามทางคนไปทั้บุญธรรทางเลยแรกว่าคนมีบุญพูดภาษาเราบาทั่วนั้นนั่นหลสมเด็จพรยาณัสมองกัอไเป็นลุกสิธ์แล้วก็ชคุณพระพุทธพจท์บรีเบื้องบนเจ้ากนมหาสนานกัวัดโนราอันนี้ ถ้จะเป็นมหาในใบฟันเทปนี่ถือว่าเป็นลูกสิษย์อาจารย์ฟันไม่เป็นมนุษย <c oughs> ์เขาจับเป็นเลยปั๊บเนี่นี่เป็นความเทศเสพนุโทรเข้าใจว่าพูกคนหยิงคนอะไรไปว่าพูดโทหลงวงปู่ฟันเย็นเลยพูดโธรหายหมดแบบไปเห็นแบบไหนคนมีบุญคนมีฤทธิ์ถ้าะไรมาได้ ไ, ม, ไดมีฤทธิ์บุญก่นขขขอนถ้าเหมือนคนโง่อยังมีฤทธิ์มีบุญก็หยุดไม่คิดเด้อบุญมันเต็ม ดยจากไหมหลวงปู่กันเสื้อเรื่องหลวงปู่ฟังกันนะเคยใจดีก็ดีหมดร่างกายก็ดีการงานก็ดีไปไหนไม่วัดประหยับมึงเขามาให้ดสันันก็น้อยเอาอะไรพูดเลยรจะมาสอนจาพูดกันคุยใส่ขอเเียๆเดียวอยไม่สอนอะไรหลวงปู่บวชตั้งจากพระเช้าแผ่นดินยังไม่ได้เกิดดูจักไหมพระเจ้าองค์ินเนี่ยหลวงปู่วันที่บวชหลวงปู่บวชวันที่แปดกรกฎาคมห้าท่านเกิดยี่สิบแปด เหมือนไม่ใช่พวกเก่งอะไรคุ ย, ลย <laughs> ทล้าเหมือนคนโง่คือนั่นแล้วไโกไ ป, กไปกโกรเขาไม่มีโรคป่ะดีไปไปแล้วเนี่ยอเมริกาเขาโกรธเป็นโัวธอ้วนเหมือนนักกีฬาเขา <laughs> ัะก็ได้ดีเคยอยู่มาสริบอกวิธีไหนหลปูกฟันให้ใจดีร่างกายก็ดีการงานก็ดีก็แต่าใจดีไม่ไหนให้กับคนโ ง, ง่หยุดไม่คิดอย่างใจดีเด้อยเนื้อจะไม่ใจดี ยุดไม่คิดอะไรกับเด็รู้นะใจเป็นภาคก็ได้เรืรู้อย่างเด้อแล้วก็เด้อเครียดมันไม่ดีถ้าว่าเก็บปวดมันมันด่าก็ได้เมื่ ม, มาเขาคิวกับกูทําไมกูไม่ได้เก็บเป็นปว ด, ดเราคิดไม่เพนเลยบั น, นี้กเพนโอธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นเด้อจะบอกวิธีคิดสอนโยผม อ, อย่าไปทุกข์ไปยากกับมันรักกายอยู่รู้จากมันนี่ บอกว่าธรมรมดาเขาเป็นอย่างนั้นอธรมรมดาเขาเป็นอย่างนั้นวัฒธรรมบุพันเกิดมาต้องแก่เจ็บายอนามธรรมราบบอย่างน้อยเราจะไปอยู่กับมันอย่างน้อยอยู่กับพุทโธพุทโธก็ดีถ้าหยุดไม่คิดได้ไปสวนพี่มาแบบหมาเคยเห่าก็ไม่เห่าเลยเรื่องเกี่ยวความเทศดาไปโอ้เมื่โอ้เทวดามันมาแล้วยวีมันเห็นใหญ่ <c oughs> เป็นเทวดาหรื อ, อยังไงยังเป็นเทวดาไหม ยังไม่เป็นเป็นเป็นปีใหญ่ใจรจางง่ายๆข้อสำคัญให้เว็นโทษห้าสกว่านี้ห้าข้ออยากจะเป็นมนุษย์โดดเสมบูรณ์ไม่ใช่ศิลเลยเดี๋ยไปไหนนึกพุทโธพุทโธเพิ่นเพ่นไปหัดหยุดดองดูบัดเนี่ยหยุดไม่คิดไม่ใช่หลับเลยหัดหยุดดองดู ไม่จะโกรธไม่โกรธไม่เครียดไม่เครียดไม่คิดเครีครครครยดจุดปั๊บนั่นแหละบุมเซมหลอกวิธีพอวิธีให้พอวิธีง่ายๆเดี๋ยวจะจะไปไม่มีกครสอนเลยเดี๋ยวนี้ว่าเขาตามตำราเขาว่ากีเ่เลนมาหลอนไม่ใช่เรื่องผู้ว่าฝันเราคิดขึ้นมาเองรู้อย่างไหมเนี่อันนี้วัไปโทษคิดเลนมาหลอนกี่เมาจากไหนบ่เเราโงองอวันนี้เอาฉลาดเลยจากเลย อ่าเราจะบอกวิทีในหัดเอาบ่อมีสอนเนี่ยเมื่อร่างกายเราบรรลุกินก็นต้องหัดพูด ก, ก็ต้องหัดใช่ไหมอันนี้พ่อแม่ไม่สอนใช่ไหมอ่าแม่ไม่ได้ให <laughs> ้คิดเลยช่วยได้ แ, แต่คนไม่รู้จักเนีว่าวิธีเราปูกเราพูกกับยายเราปลูกฟัน ส, นสอนอันสอนเป็นหมดมมเราปูกไปแ่างเราท่านพูดเราเป็นพระนี่อ่านีด้หมดใครไปเห็นยศกรสูงไปเลย ทูงก็พระเจ้าแผ่นดินก็ถูกความท่านเลยเป็นพระบทต้องไว้พระเจ้าแผ่นดินคนก็ยังไม่อยากบวชอยู่เอยศก็สูงเกียดเกิเกียดเก็ดีผมเมื่อนั้เขาถวายสิ่งของก็ต้องเป็นนมือก็ยังไม่อยากเป็นเพิ่นเพิ่นมีความรู้สวรรค์อันมาหลวงปู่ก็ได้ความรู้บวชอันยศสูงกาพระเจ้าแผ่นดินบทต้องกราบพระเจ้าแผ่นดินโอ้ก็ถูกความเพิ่นดิคนก็ไม่อยากเกียดกันตรงนู้นจถวายสิ่งของก็ยะมือให้ก็ยังไม่อยากอยู่ เดี for for <laughs> ๋ยวมันไม่มีใครผูวัดไปลายๆคนลองผูกให้ความรู้คจะลวงฟูกฟันหลายเลยแต่นหลาย็มูลองมากก็ลวงผูเทศลวงวัดก็บอกว่าติเป็นเครื่องผูกไอ้นุ่งผู้โทรผูกมันไว้ซะกอนเอ้ยังผูกมันไปอยู่เอาพูโทรผูกใจไว้แล้วก็ติลึกตัวไปมันใช่เป็นอล้วมัน่ต้องผูกโยกปั๊บเลยมันเป็น อ่บอกวิธีในหลวงปู่เทพใชชั้นละลัสนี่ต่อมาต่อมาว่าทำใหญ่เป็นกลางคนทุกข์ใครไม่รู้จักษ์ลไปถามนยเจียงแบาหลวงปู่นอนหลับน้อยถามอร่อยเข้าสมาธิอยู่สมาธิคนเดียวก็หยุดคิดอย่างนั้นหลวงปู่เทพก็ได้พิ่งนาจยกยุดเจะเก้าจิก็รามรณาธรรมทสี่ทำขามรณนนแ้บโอ้โหมันเป็นหนอนอ่ะอัจบอกวิธีให้คนอุปรู้จัก แต่เสียท่าพลังมันบมีใจบบเดี๋ยวนี้ฝลังเขาก็มีมีอยู่สมัยใหม่เขาบวชก็มีเพราะเขาทุกเด้ฝลังนี้ทุกมาเป็นผู้หญิงกับอไปสู่โพธเกินเบีไปก็ได้นขนาใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันก็หาอยู่ทุกเราคิดกินมาเองหยดบาเอาอะไรบัต อยาใครอากเป็นเทวดาก็นึกพุโทโธเลยมันจะกดนึกพุโทโธพุทโธแล้เป็นไปมองกระจกมันเป็นไงบ้าเนี่ยถ้าโลกกจะแค่ไปมองดูหนะ้าหรือในกระจกมันสวยเลยแล้วยุดไม่คิดเลยเราดูบ้าเนี่ยยุดไม่คิดอย่ตัวลูกไม่ได้หลับเลยตัวหลับไม่รู้ได้โดนนอนหลับอะไรไม่โดนได้เอะนอนนอนนอ น, น, อ น, นอนหลับใ ห, ให้รักษาอยู่ตลอดใหญ เหมือนกับมันเป็นเราอย่างเ่างกายนี่ยบางทนอนก็ต้องหายใจนั่งก็ต้องหายใจให้มันแบบนู้นฮะเรเห็นขี้เกียจวันนี้ขี้เกียจหายใจเลยเมืออันนี้รักษาอย่างไปขี้เกียจเนี่รักษาใส่สมรวมระว่างนะอะเติบไป